ปุชกะ อ, า ย, ะอ า, กายตนะสิบสองคือหนึ่งจักขาอายตนะสองรูปายตนะละถึงสิบเอ็ดมนายตนะสิบสองธรรมายตนะบรรดาอายตนะสิบสองอายตนะเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤิและถึงเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้หนึ่ง เถรกระมาตถรกาวิสัชนา 1. กุศลตถรกะวิสัชนาอายตนะสิบเป็นอภยากฤตอายตนะสองที่เป็นกุศลก็มีท mm hmm. ี่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยากฤตก็มี 2. เวทนาตถกกะวิสัชนาอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมาสุขเวทนา มนายตนะที่สัมปายุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเมสุขเวทนาก็มีธรรมายตนะที่สัมปายุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปายุทธ์ด้วยทุกขเมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปายุทธ์ด้วยทุกเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี สวิปากิติดกะวิสัชนาอายตนะสิบไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุแห่เกิดวิบากอายตนะสองที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุแห่เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุแห่เกิดวิบากก็มี 4. อุปาทินาเกิดกะวิสัชนาอายตนะหกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานศัทธายตนะ กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอายตนะสี่เที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอายตนะสองที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ทือกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีเที่กกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 5. ้าสังขิลิฐิติดกะวิสัชนาอายตนะสิทธิ์กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอายตนะสองที่กิเลสทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมอง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 ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจางก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจา์ก็มีเที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจานไม่มีวิตกมีเพียงวิจานหรือไม่มีทั้งวิตกและวิจานก็มีเจ็ดปีติติปะวิสัชนาอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าสหรอคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรอคตด้วยอุเบกขาอายตนะสองที่สหรคตด้วยปีติก็มี ที่จะขอระคด้วยสุขก็มีที่จะขอระคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าจะขระคตด้วยปีติจะขอระคตด้วยสุขหรือจะขอระคตด้วยอุเบกขาก็มี 8. ทัศนะเพิกกวิสัชนาอายตนะสิทธิ์ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามอายตนะสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสามก็มี ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามก็มีเก้าทัศน์เหตุถือกะวิสชนาอายตนะสิบไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามอายตนะสองที <m uch> ่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและมักเบื้องบนสามก็มี อาจจะยักามิติกวิสัชนาอายตนะสิบไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอายตนะสองที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิส น, นธิจุติและนิพพานก็มีสิบเอ็ดเสกขาติกรวิสัชนาอายตนะสิบไม่เป็นของเสกขับุคคลและอเสขับุคคล อายตนะสองคคที่เป็นของอาขะบุคคลก็มีที่เป็นของอาขะบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของอาขะบุคคลและอาขะบุคคลก็มีสิองปริตตติกะวิสัชนาอายตนะสิบเป็นปริตตะอายตนะสองที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหักตะก็มีที่เป็นอปมาณะก็มี13ปริตตะระมณตะติกะวิสัชนา อายตนะสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้อายตนะสองที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหคัตตะเป็นอารมณ์หรือมีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีสิบสีหินาติกะวิสัชนาอายตนะสิบเป็นชั้นกลางอายตนะสองที่เป็นชั้นต่ำก็มี ที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีสิบห้ามิจฉาตตึกกะวิจัชนาอายตนะสิทธิ์เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอายตนะสองที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีสิมมาหมคคารมณะเปียกกะวิจัชนา อายตะนะสิครับรู้อารมณ์ไม่ได้อายตนะสองที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่ ม, มี ม, มรมมมรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีสิบเจ็บปันนาเถกกวิสัชนาอายตะนะห้า 5. ที่เกิดขึ้นก็มีที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นก็มี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 อติตาเถรกวิสัชนาอายตนะสิบเอ็ดที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีธรรมายตนะที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบันก็มีสิบเกอตีตารมนะเถรกวิสัชนาอายตนะสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้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 ชนิทัศนะเติกกะวิสัชนารูปายัตนะเห็นได้และกระทบได้อายัตนะเก้าเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อายัตนะสองเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เติกกะมาเติกกวิสัชนาจบ ทุกขะมา вами, ติกาวิสัชนาหนึ่งเหตุุโคจกกวิสัชนาอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นเหตุธรรมายตนะที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีอายตนะสิบไม่มีเหตุอายตนะสองที่ทมีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีอายตนะสิบวิปยวิจากเหตุอายตนะสองที่สัมปยุจด้วยเหตุก็มีที่วิปวิจากเหตุก็มี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 อายตนะสิกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีธรรมายตนะที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุทธ์ด e ้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า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 สจุลันตระทุกกะวิจัชนาอายตนะสิบเอ็ดมีปัจจัยปรุงแต่งธรรมายตนะที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มีอายตนะสิบเอ็ดถูกปัจจัยปรุงแต่งธรรมายตนะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีรูปลายตนะเห็นได้อายตนะสิบเอเห็นไม่ได้อายตนะสิบกระทบได้ อายตนะสองกระทบไม่ได้อายตนะสิบเป็นรูปมนายตนะไม่เป็นรูปธรรมายตนะที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีอายตนะสิบเป็นโลคิยะอายตนะสองที่เป็นโลคิยะก็มีที่เป็นโลก <Get S 2> ุตระก็มีอายตนะสิบสองที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มี <formal ized> ที่จิตบางดวงรู้ <silicone S 1> ไม่ได้ก <So can S 1> ็มี <ıyla> วโคจกวิสัชนาอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นอาสวะธรรมายตนะที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีอายตนะสิทธิ์เป็นอารมณ์ของอาสวะอายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอายตนะสิบวิปยุจจากอาสวะอายตนะสองที่สัมปยุจด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะก็มี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 ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็ น, ปนอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอายตนะสิทธ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มี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 ยัโคจกะวิจัชนาอายตนะสิบอไม่เป็นสังโยชน์ธรรมายตนะที่เป็นสังโยกก็มีที่ไม่เป็นสังโยกก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของสังโยชน์อายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีอายตนะสิบวิปยุตจากสังโยชน์อายตนะสองที่สัมปยุตด้วยสังโยกก็มีที่วิปยุตจากสังโยกก็มี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 ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีอายตนะสิทธิ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมพยุทธ์ด้วยสังโยชน์หรือสัมพยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์มนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมพยุทธ์ด้วยสังโยชน์ที่สัมพยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชกก็มี เที่ยกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ต birthday, แต่ไม่เป็นสังโยกก TA ็มีธรรมายตนะที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยกก็มีที่สัมปยุทธ์ colm, ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีเที่ยกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีอายตนะสิบวิปยุทธจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อายตนะสองที่วิปยุทธจากสังโยชน์ Oprah.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 อายตนะสิบเป็นอารมณ์ของคันทะอายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีอายตนณะสิบวิปยุจจากคันทะอายตนะสองที่สัมปยุตด้วยคันทะก็มีที่วิปยุจจากคันทะก็มีอายตนณะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะหรือเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะมนาอยัจะกล่าวไม่ได้ว่า เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีธรรมายตนะที่เป็นคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะหรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มี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 ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด um ้วยคันทะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีอายตนะสิบวิปยุทธ์จากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะอายจนะสองที่วิปยุทธ์จากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่วิปยุทธ์จากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธ์จากคันทะ แต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีหถึงแปดโอคะโคชกาธิวิสัชนาอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวร ธรรมายจตนะที่เป็นนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของนิวรณ์อายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีอายตนะสิบวิปยุจจากนิวรณ์อายตนะสองที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุจจากนิวรณ์ก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์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 ที่สัมปะยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและสัมปะยุทธ์ด้วยนิวรณ์เรือที่สัมปะยุทธ์ด้วยนิวรณแต่ไม่เป็นนิวรณก็มีอายตนะสิวิปยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อายตนะสองที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณก็มีที่วิปยุทธ์จากนิวรณและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า วิปยุจจากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรหรือวิปยุจจากนิวร์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรก็มี 9. ประมาจากโคจรกวิสัชนาอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นปรามาธธรรมายตนะที่เป็นปรามาก็มีที่ไม่เป็นปรามาก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของปรามาธอายตนะสองเป็นอารมณ์ของปรามาก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาก็มี อายตนะสิท์วิปยุจจากปรามาธมนายตนะที่สัมปยุจด้วยปรามากก็มีที่วิปยุจจากปรามากก็มีธรรมายตนะที่สัมปยุจด้วยปรามากก็มีที่วิปยุจจากปรามากก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุจด้วยปรามาธหรือวิปยุจจากปรามากก็มีอายตนะสิกิ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาธและเป็นอารมณ์ของปรามาธหรือเป็นอารมณ์ของปรามาธแต่ไม่เป็นปรามาธ มน า, ายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาก็มีธรรมายตนะที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาต หรือเป็นอารมณ์ของปรามาต์แต่ไม่เป็นปรามาตก็ม <bits> ีอายจนะสิท <fun> ธิ์วิปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์อายจนะสองที่วิปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่วิปยุจจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์หรือวิปยุจจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีสิบ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 ทำมายตนะที่สัมบุญด้วยจิตก็มีที่วิปุญจ์จากจิตก็มีมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าสัมยุญด้วยจิตหรือวิปุญจ์จากจิตอายตนะสิบไม่ระคนกับจิตทำมายตนะที่ระคนกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตก็มีมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิตอายตนะหกไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน อายตนะหกที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีอายตนะสิบเอ็ดไม่เกิดพร้อมกับจิตทำมายตนะที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นไปตามจิตทำมายตนะที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีอายตนะสิบเอ็ดไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน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 มีจิตเป็นสมุธฐานและเป็นไปตามจิตธรรมายตนะที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุธฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุธฐานและเป็นไปตามจิตก็มีอายตนะหเป็นภายในอายตนะหเป็นภายนอกอายตนะเก้าเป็นอุปาทายรูปอายตนะสองไม่เป็นอุปาทายรูปคธรรมายตนะที่เป็นอุปาทายรูปก็มี ที่ไม่เป็นอุปาทานรูปก็มีสิบเอ็ดอุปาทานะโคจกระวิสัชนาอายตนะห้ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือสัทธายตนะกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออายตนะหกเทือกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นอุปาทาน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 มนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลธำให้เศร้าหมองหรือกิเลธำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสขัวมีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลธำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธรรมายตนะที่เป็นกิเลสและกิเลธำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลธำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสขัวมีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลธำให้เศร้าหมองหรือกิเลธำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสขัมี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 ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอายตนะสิบวิปยุทธ์แจกกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอายตนะสองที่วิปยุทธ์แจกกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ว nah ิปยุทธ์แจกกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธ์แจกกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส หรือวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 13. บสปิธิทุกข์วิสัชนาอายตนะสิทธิ์ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอายตนะสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา ก, ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา ก, ก็มีอายตนะสิทธิ์ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาอายตนะสองที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี อายตนะสิทไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอายตนะสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีอายตนะสิทไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอายตนะสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีอายตนะสิทธิ์ไม่มีวิตกอายตนะสองที่มีวิตกก็มี ที่ไม่มีวิตก็มีอายตนะสิทธิ์ไม่มีวิจารณ์อายตนะสองที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณก็มีอายตนะสิทธิ์ไม่มีปีติอายตนะสองที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีอายตนะสิทธิ์ไม่สหรคตด้วยปีติอายตนะสองที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีอายตนะสิทธิ์ไม่สหรคตด้วยสุข อายตนะสองที่สหระโคด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีอายตนะสิบไม่สหระโคด้วยอุเบกขาอายตนะสองที่สหระโคด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรโคด้วยอุเบขาก็มีอายตนะสิบเป็นกามวจรอายตนะสองที่เป็นกามวจรก็มีที่ไม่เป็นกามวจรก็มีอายตนะสิบไม่เป็นรูปาวจร อายตนะสองที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีอายตนะสิบไม่เป็นอรูปาวจรอายตนะสองที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีอายตนะสิบนับเนื่องในวัตทุกข์อายตนะสองที่นับเนื่องในวัตทุก์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกก็มีอายตนะสิบไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์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 อายตนะสองที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องห้ก็มีปัญหาปุจกะจบอายตนะวิพังจบบริบูรณ์สาทาตุวิพัง 1. สุดตันตะภาชนีธาตุหคือหนึ่งปฐวีธาตุธาตุดินสองอาโปธาตุธาตุน้ำ 3. าเตโชธาตุธาตุไฟสวายโยธาตุธาตุลมหอากาศธาตุธาตุเคยที่ว่าง 6. วิญญาณธาตุธาตุเควิญญาณบรรดาธาตุหกนั้นปฐวีธาตุเป็นไนปฐวีธาตุมีสองอย่างคือ ปัทวีธาที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในปัทวีธาสองอย่างนั้นปัทวีธาที่เป็นภายในเป็นไนธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรลมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระโดกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือธรมธรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่า ปัทวีธาที่เป็นภายในปัทวีธาที่เป็นภายนอกเป็นไนธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายนอกตนที่กรามอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นเหล็กโลหะดีบุกขาวดีบุกดำเงินแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูลสังศิลาแก้วประพาน เงินตราทองแก้วมณีแดงแก้วมณีลายยญ้า่อนไม้ก้อนกรวดกระเบื้องแผ่นดินแผ่นหินภูเขาหรือธรรมชาติที่แข็งธรรมชาติที่กระด้างความแข็งภาวะที่แข็งเป็นภายนอกตนที่กลัมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่า ปัทวีธาตที่เป็นภายนอกประมวลยอปัทวีธาตที่เป็นภายในและปัทวีธาที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าปัทวีธาต์อาโปธาต์เป็นไงนอาโปธาตมีสองอย่างคืออาโปธาต์ที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในอาโปธาต์สองอย่างนั้นอาโปธาต์ที่เป็นภายในเป็นไนความเอิบาบธรรมชาติที่เอิบาบ ความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรัมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อมูดหรือความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูปเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าอาโปธาที่เป็นภายในอาโปธาที่เป็นภายนอกเป็นไนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกลุ่มรูป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 ธรรมชาติที่เหนียวธรรมชาติเป็นเครื่องเกาะกุ่มรูปเป็นภายนอกตนที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นได้มีอยู่นี้เรียกว่าอาโปธาต ท, ที่เป็นภายนอกประมวลยอ่ออาโปธาต ท, ที่เป็นภายในและอาโปธาต ท, ที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าอาโปธาตเตโชธาตเป็นไนะเตโชธาตมีสองอย่าง เือเตโชท่าที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในเตโชท่าสองอย่างนั้นเตโชท่าที่เป็นภายในเป็นไนความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายในตนมีเฉพาะตนเที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นเตโชท่าที่ทาให้ร่างกายอบอุ่น ที่ทำให้ร่างกายสุดโทมที่ทำให้เร่าร้อนและที่ทำให้ของกินของดื่มของเคีเ้ยวของลิ้มถึงความย่อยไปด้วยดีหรือความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่า เตโชธาที่เป็นภายในเตโชธาที่เป็นภายนอกเป็นไนความร้อนธรรมชาติที่ร้อนความอุ่นธรรมชาติที่อุ่นความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายนอกตนทเทกามอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นฟืนไฟไฟสเกตไม้ไฟหญ้าไฟมูลโคไฟแกลบไฟหยากเยื่อไฟอัชนิบาต ความร้อนแห่งไฟความร้อนแห่งดวงอาทิตย์ความร้อนแห่งกองฟืนความร้อนแห่งกองหญ้าความร้อนแห่งกองข้าวเปลือกความร้อนแห่งกองขี้เถ้าหรือความร้อน or, ธรรมชาติที่ร้อนความอบอุ่นธรรมชาติที่อบอุ่นเป็นภายนอกตนที่กรรมอันป ร, กประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ survival, ไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนแ really, ม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าเตโชธาที่เป็นภายนอก ประมวลย่อเตโชธาที่เป็นภายในและเตโชธาที่เป็นภายนอกก็เป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าเตโชธาวายโยธาตเป็นไนะวายโยธาทมีสองอย่างคือวายโยธา ท, ที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในวายโยธาสองอย่างนั้นวายโยธา ท, ที่เป็นภายในเป็นไนะความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติครื่นคล้ำจุนรูป เป็นภายในตนมีเฉพาะตนที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนเช่นลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในใ่ลมพัดไปตามตัวลมศาสตราลมนิโคนลมเพ้อหัวใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติเครื่องคำจุนรูปเป็นภายในตน มีเฉพาะตนเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นภายในตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าวายโยธาที่เป็นภายในวายโยธาที่เป็นภายนอกเป็นไนความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาความเคร่งตึงแห่งรูปเป็นภายนอกตนเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนเช่นลมตะวันออก ลมตะวันตกลมเหนือลมใต้ลมมีฝนละอองลมไม่มีฝนละอองลมหนาวลมร้อนลมอ่อนลมแรงลมดำลมบนลมกระเพือปีกลมปีกครุดลมใบกังหันลมพัดโบกหรือความพัดไปมาธรรมชาติที่พัดไปมาธรรมชาติครึ่งคำจุนรูปเป็นภายนอกตนที่กรมอนประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ ซึ่งเป็นภายนอกตนแม้อื่นใดมีอยู่นี้เรียกว่าวายโยธา ท, ที่เป็นภายนอกประมวลย่อวายโยธา ท, ที่เป็นภายในและวายโยธา ท, ที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าวายโยธาอากาศธาตุเป็นไนอากาศธาตุมีสองอย่างคืออากาศธาตุที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีในอากาศธาตุสองอย่างนั้น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 ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นภายนอกตนนี้เรียกว่าอากาศธาตุที่เป็นภายนอกประมวลย่ออากาศธาตุที่เป็นภายในและอากาศธาตุที่เป็นภายนอกเข้าเป็นหมวดเดียวกันนี้เรียกว่าอากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นไนจะกุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุและมโนวิญญาณธาตุนี้เรียกว่าวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุหกธาตุหกอีกในหนึ่งคือหนึ่งสุขธาตุสองทุกธาตุสาสมุนทะธาตุสี่โทมุนทะธาตุห้าอุเบกขาธาตุหอวิชาธาตุบรรดาธาตุหกนั้นสุขธาตุเป็นไน ความสําราญทางกายความสุขทางกายความสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุข GE, อันเกิดแต่กายแสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายแสัมผัสนี้เรียกว่าสุขธาตุทุกขธาตุเป็นไนความไม่สําราญทางกายความทุกข์ทางกายความส inho, วยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายแสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สําร <skept> าญเป็นท <filos S 3> ุกข์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 ความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุทธานคืออวิชชาริ่มคืออวิชชาอากุศโมุนคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชาธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุหกธาตุหกอีกในหนึ่งคือหนึ่งการมธาตุสองพยาปาทาธาตุสวิหิงสาธาตุ สี่เนกขมธาตุห้าอพยาปาทธาตุหกอวิหิงสาธาตุบรรดาธาตุหกนั้นกามธาตุเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยกามนี้เรียกว่ากามธาตุขันธาตุอายตนะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่องเที่ยวนับหนึ่งอยู่ในระหว่างนี้ชั้นต่ำมีเอเวจีนรกเป็นที่สุดชั้นสูงมีเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเป็นที่สุดนี้เรียกว่ากรามธาตพยาปาทาธาตเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆและถึงมิจฉาสังกัปปะที่ประกอบด้วยพยาบาทนี้เรียกว่าพยาปาทธาต อีกในหนึ่งความที่จิตอาฆาตในอาคาตวัตถุสิทธิ์ความอาฆาตที่รุนแรงความกระทบกระทั่งความแค้นความที่โรดตอบความกำเริบความกำเริบหนักความกำเริบหนักขึ้นความคิดร้ายความคิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายหนักความที่จิตคิดพยาบาทความที่จิตคิดประทุษร้ายความโกรธยุรยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดปองร้าย ยุริยาที่คิดปองร้ายพาวะที่คิดปองร้ายความพยาบาทยุริยาที่พยาบาทภาวะที่พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายความเกลี้ยกราอดความที่จิตไม่แช่มชื่นนี้เรียกว่าพยาปาทธาต์วิหิงสาธาต์เป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆมิชขาสังกับปะที่ประกอบด้วยวิหิงสา นี่เรียกว่าวิหิงสาธาตบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมใช้ฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้าสศราหรือเชือกอย่างใดอย่างหนึ่งเบียดเบียนสัตว์ความเบียดเบียนกิริยาที่เบียดเบียนความรังแกกิริยาที่รังแกความกลี้ยกราดกิริยาที่กระทบกระทั่งอย่างรุนแรงความเข้าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเห็นปานนี้นี้เรียกว่าวิหิงสาธาต เนคขมมะธาตุเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆสามาสังกัปปะที่ประกอบด้วยเนคขมมะนี้เรียกว่าเนคขมมะธาตุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลทั้งหมดชื่อว่าเนคขมมะธาตุอภยยาปาททธาตุเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆสามาสังกัปปะที่ประกอบด้วยอภยยาปาทตนี้เรียกว่าอภยยาปาธาธาตุ ความมีไมตรีความเจริญเมตตาภาวะที่แผ่เมตตาในสัตว์ทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตตความหลุดพ้นทางใจที่มีเมตตาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าอพยาปาททธาตาุอวิหิงสาธาตุเป็นชนหะนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริที่ประกอบด้วย อ, อวิหิงสาความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิต แ, แนบสนิทในอารมณ์ ความยกจิตึ้นสู่อารมณ์สามมาสังกัปปะนี้เรียกว่าอวิหิงสาธาตุรุณาความเจริญกรุณาภาวะที่แผ่กรุณาในสัตว์ทั้งหลายกรุณาเจโตวิมุตติความหลุดพ้นทางใจที่มีกรุณาเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าอวิหิงสาธาตุาหาาา เ, เหาธาธล่านี้เรียกว่ า, าธาตุหกประมวลยอทาธาตุหกสามหมวดนี้เข้าเป็นหมวดเดียวกัน จึงเป็นท่าสิบแปดด้วยอาการอย่างนี้สุตันตปาชณีจบ